แก่ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ไปก็มาฟังเรื่องจุลัยคุยกับท่านลุงต่อไปเป็นนว่าในเมื่อจุลัยได้ฟังท่านลุง de man die vernieuwde was over so de like in het triplet. Ja, dronk bij de pan. Doe ik een man, jij, een maar ik kan wel ik De waard plak, jij, maar jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, ที่นิพพานน่ะเขาบอกว่ามีแต่พระคือมีพระอริยะเจ้ามีพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วอย่างหนูเป็นผู้หญิงบวชพระไม่ได้จะไปนิพพานได้หรือเจ้าคะท่านลุงทั้งสองยิ้มแต่ท่านปิยะยาวีก็บอกว่าไปได้หลานรัก นั่นก็หมายความว่าคน จุลัยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้น 5 มีทั้งหมด 10 ครบถ้วนก็ดีแล้ว รู้ไม่เห็นที่ไหนดีเท่านิพพานท่านลุง แต่ว่าหนูที่จะ 100 ปีจึงตายจะมีโอกาสบําเพ็ญบารมีได้มากเห็นสุขเห็นทุกข์มากจะกัดขณะที่จะตาย <c oughs> De booddag die je een rijtje, je kon een taartje, je kon je een kon een taartje, je kon je kon een taartje, je kon kon je een taartje, een taartje, je kon een kon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 เรามานี่ใกล้เต็มทีแล้วจะใช้เวลาถ้าเดิน 1 เรากิโลเมตรถ้าระยะไปอย่างนี้แค่นึกก็ถึงทันที สวนดอกไม้สวนต้นไม้สวนใบไม้เฮ็ดอีพันนายังไงที่จะลอกฝนรากไม้ <c oughs> แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นๆวิมานที่ผ่านมาเป็น Mondola EN daar, mijn voormaak, mij de kud. Tewa da, te er ongoten toe, tamser bij. Den pijden ma, tewa da, nai bang. Bang ongonung pa, jak, bang. Bang kunganung, kink, bang. Bang kunganung, kink, san bang. Bang kunganang, bang. Bang kungan misu Bang pa, bang. Bang บางท่านก็แปลพราวจะเป็นยักษ์คือไรเห็นก็แปลกใจว่าเทวดานี่ทําไมคล้ายๆกับคนนุ่งผ้าไม่เหมือนแต่บางองค์ก็สวยงามเหลือเกินเหมือนลิเกเหมือนตัวเอกลิเกจึงถามท่านบุรุงวเลงหนองบอกว่าทําไมเป็นอย่างนี้เจ้า เทวดาที่แต่งตัวไม่เหมือนกันอเทวดาตามปกติไม่ได้สวมชุดดาณนอนเวลาตามปกติก็เหมือนคือพวก ตั้งตั้งแต่งตัวแบบชาวอยู่เวรอยู่ยามคองปราบพร้อม ก็บอกว่าคนลงเจ้าค้าเข้าไปได้แล้ว <c oughs> Ta' jaai maak, ja' ta' dingen gaat honden, maar ja, wa' Ja, sa' wang maak, maar maak opraai. Wang sai paai, sai maai sai paai. De lubrenco dan p.t. Gyureta'n waak, kunnipin jāmt hem. Tambureng nonga' dan bij jaai, jawi, kappaai, kappaai, kappaai, kappaai. Tambureng nonga's dan bij jaai, jawi, kappaai, kappaai, kappaai, kappaai, kappaai, kappaai, kappaai, kappaai. bij ja, kappaai, kappaai, kappaai, อานน้อยฟังว่าเทวินทร์ 6 ตกใจกราบทันทีจุไรก็กราบเมื่อคนกราบ 3 บาระแล้วเงยหน้าขึ้นมาเห็นเทวดาวิรณ 6 เคลียวยาวออกมาข้างปากด้าน ท่านลุงก็บอกว่าหลานรักนี่หลานเชื่อว่าลุงคือท้าววิรุณ 6 จุไรก็บอกว่าขึ้น Lungo Chai ใช่จุไรก็ถามว่าท่านหนูไม่เชื่อ Het my ลุงก็บอกว่าถ้าหนูไม่เชื่อลุงก็ไม่ใช่เธอก็ wat ว่าทําไมไปอย่างนั้นท่านก็ je laat wat gang waar het in je gang de je laat in je gang gaat, je het in je gang gaat, je laat je het in in je het het maar ik ik niet kan Ik heb een manier van leuk. Lonely elucidatie: ik heb een kaart, een Ik heb Ik heb een kaart. Ik heb een kaart. Ik heb een kaart. Ik heb een kaart. Ik heb een kaart. Ik heb een kaart. อยู่อะไรก็ถามว่าบรรดาพวกมนุษย์ทั้งหลายใช้ลุงทําอะไรเจ้าคะท่านลุงก็บอกว่า 1 คนหายมันก็บ่นให้ลุงตามบอกอย มีไอ้คนพวกหนึ่งมันไปที่อเมริกากระเป๋ามัน <c oughs> Man nakkunt een in het hangtje met je konden, Dan lungen je gang waar je konden, je konden, แต่นั่นโสเพณีมันทําทําเสน่ห์ให้หลงรักในมันมันหวังหรือลาดยศส่งเสริมสุขเพราะเขาเป็นคนดีปกติเขาเป็น กุญแจก็มีใส่มันก็ไม่ไว้ใจดี จุลัยก็ถามว่าทําไม 3 องค์ป้าไม่บอกล่ะ 3 องค์ก็เคารพในท่านแต่ว่าถ้ากิจการงานต่างๆที่ป้าต้องการน่ะป้าคิดว่าทวีโรกคล่องตัวกว่าจุลัยก็เลยไม่กล้ากราบทวีโรกถามว่าเป็นความจริงหรือเจ้าคะทวีโรกก็บอกว่าเรื่องการ เมื่อกี้นี้ท่านปิยะยาวีกับท่านบุเรงนองบอกว่าคนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชได้ต้อง ik ตุรัยก็ Kondi ว่าคนที่มีศีลได้ต้องมีเมตตาความรัก zo, san, สงสารใช่มั้ยเจ้าคะท่านลุงก็บอกว่าใช่อยู่ไรก็ถามว่าคนที่มีเมตตาความรัก ร่างหน้าก็ดำปี่ในตาก็ใหญ่เท่ากระโถนกรอกไปกรอก มีรถหกไปด้วยคือ gevolg dat hier deel die naar de kerk gaat, die naar de kerk gaat, die naar de kerk gaat, die naar de kerk gaat, de de de kerk gaat, die naar de kerk de kerk gaat, de kerk gaat, die naar die is niet in de tijd. Ik heb het gevoel dat ik hier in de tijd heb. het dat ik hier in de tijd heb. Ik heb het gevoel dat ik hier in de tijd heb. Ik ga naar van de kijk van de kijk van de kijk de kijk van de kijk van de kijk de kijk van de kijk van de kijk de kijk van de de kijk de kijk van de kijk van de kijk de kijk van de kijk ik de kijk van de in de de de de de จุไรก็บอกว่าสิ่งที่หนูต้องการอันดับแรกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติ พอใช้สอยพ่อก็ไม่กินเหล้าพ่อไม่สูบบุหรี่พ่อไม่เที่ยว ลุงโหระกากก็ลุงเอ้ยหลานเอ้ยเลขหวยลุงรู้แต่บอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะ แล้วก็เวลาตายกําลังใจไม่เข้าถึงฌานเป็นไม่ว่ามีจิตเป็นกุศลพอสมควรใช่ ลุงก็บอกว่าเรื่องบางอย่างไม่ควรจะพูดถ้าพูดกับหนูนี่หนูปากยาวนี่ลุงไม่ว่าหนูปากหมานะเอาแค่ปากยาวๆแล้วไหมก็เสียงเนี่ยมันออกไปถึงหูที่ 4 แล้วมันไม่เป็นความลับเหตุบางกรณีที่ไม่ควรจะพูดมีอยู่เอาแค่ปฏิปทาก็ แต่บอกท่านคําว่าฐานะก็ลุงจะขอบอกได้เพียงที่ว่าลุงสมัยที่เป็นมนุษย์ลุงเป็นลูกจ้างเขาตัวอะไรก็ถามว่าลูกจ้างทํานาลูกจ้างทําไร่ลูกจ้างชาวค้าขายพ่อค้าแม่ค้าลุงก็ตอบว่าไม่ใช่คําว่าเป็นลูกจ้างลุงนี่เป็นคนมี เงินเดือนเขาก็ให้ตอนนี้จึงถือว่าคนที่ได้เงินเดือนต้องถือว่าเป็นลูกจ้างแต่ในเมื่อเป็นลูกจ้างลุงก็พยายามตรงต้องการอยู่อย่าง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 in het proces van het leren Haikun de vakken, maakt Maikwa de handen glad. Laat de anderen hun handen glad maken. De mensen die de ondersteunende kracht van de handen hebben, moeten hun handen glad maken. Als je gaat vechten, moet je je handen glad Rekandi 2 karupraam, deel 3 karupraarijsong of persong die een kubajaar is, dat is een persong. Kruis die een kruisvaarder is, moet hij hetzelfde leren. Na dat is, moet hij zijn geest vasthouden aan de dan Tajit Gebang Anupap van die die die die die die die die die die die die die die die die tam, die die die die die die die die จะต้องมีความเคารพในพระพุทธเจ้าก่อน judgeaWa. ฉะนั้นการทำสมาทิการท่องอาฐาอาคมการปลุกเศร็กปลุกตัวปลุกของต้องทำทุกวันในการกี่ OVER ตอนเ฀็นต้องทำตอนเช้าต้องทำ dat die Tong hem wat dan hij Patuban. Dat nu de java Tampa alias, om te Janan die de wereld, en me de kan de de java tampa alias, การถาคมเทดิดมาก <c oughs>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 ในพุทธานุสติในธรรมานุสติในสังฆานุสตินั่นเองก็เป็นอันว่าจุลัยเข้าใจ nog Janan we raken non langboot, een tandem, een tandem, een tandem, een tandem. Daar kan een tandem een tandem geven, een tandem, een tandem, een tandem, een tandem, een tandem, een tandem, rom, ding. een tandem, een tandem, een tandem, een tandem, een tandem, een tandem, een tandem, een tandem, แต่การคบหาสมาคมของชน เป็นน่ะว่าลุงเองก็เคยเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าอยู่หัวเหมือนกันลุงเอง ท่านลุงก็บอกว่าหนูเคยถามลุงแล้วใช่ไหมว่า 1 ลุงมีเมตตาความรัก 2 คุณนาความสงสารใช่ไหมตุไลก็ตอบว่าใช่ก็อํานาจเมตตาความรักคุณนาความสงสาร Hmm. Was, dus hmm. ja die die, Voor de rest van Scrollon to Engels weer op de sluwe mini staan. En komen is De een jaar te melden als supraabel. Um выбancial 자꾸 meer is. De is dus dat ik nu De persoepravoel alswohl Maar ik gevier niet op mijn de gebouw De Art Ik hier dagen. de kval is หนูขอดูวิมานหน่อยได้มั้ยยายจะดูข้างในว่ามีอะไรบ้างลุงอนุญาตก็ จึง